ส่วนความบริบูรณ์แห่งจารคาธิฐานนั้นเป็นความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยจารคาธิฐานเมื่อครั้งแสดงพระธรรมจักรอันเป็นเขตแห่งมุทิตาโดยพิเศษเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีมุทิตาอย่างแท้จริงเนี่ยแสดงทำไม่ได้เนี่ยเพราะ อ, อะไรเพราะว่าลักษณะคนที่ขาดมุทิตาก็คือ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนตนีก็จะเก็บความน่าอัศจรรย์ไว้แต่เพียงในตนบันแสดงไม่ได้แต่พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นอัญญาซิวัตโพโกณทันโยอัญญาซิวัตโพโกณทันโยพระองค์ดีใจมากเนี่ยนะโกณทัญยะรู้แล้วหนาโกณทัญยะรู้แล้วหนาเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยมู้ที่ตามีความปราบปลื้มปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อื่นได้ดีมีความปีติปราบปลื้มโสมนัสยิ่งนักถ้าเขาได้ตรัสรู้ธรรม พระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมพระองค์ยินดีเสมอยินดีจริงๆกระหว่าดีใจด้วยจริงๆที่เขาได้ตรัสรูม้มรรคผล น, ผนิพพานทั้นการแสดงพระธรรมมาจักรจึงอยู่ในขอบเขตแห่งมุทิตาเนี่ยนะท่านกิจกรรมที่พระองค์ปฏิบัติตลอดเป็นทั้งเมตตาน้อมนําประโยชน์ศุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมุทิตาเนี่ยนะกระหว่าไปที่ไหนก็ไปมุทิตาแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยการแสดงธรรมให้เขาได้รับเพราะว่า ที่สุดแห่งการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทุกสูตรสัตว์ทั้งหลายฟังปับป๊บเห็นแจ้งสม า, า, าทานอาจฐา น, านรา่าเริงด้วยทำมีกระถาและพระองค์ยินดียินดีที่จะให้สัตว์เป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์มุ้ทีตาต่อความเจริญของเหล่าสัตว์จริงๆอันนั้นแหละเป็นมุ้ทีตาของพระองค์โดยพิเศษว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อยู่ด้วยมุ้ทีตาก็เนื่องจากจาคาธิ่ฐานทัศละได้แท้จริงเนี่ยเห็นคนที่ได้รับประโยชน์และมีความสุข นั่ น, เ ป, นเป็นผลของความเสียสละใช่ไหมนั้นผู้ที่เป็นนักเสียสละจริงๆนั้นะจะดีใจต่อเมื่อผู้อื่นได้รับประโยชน์ถ้าผู้อื่นยังไม่ได้รับประโยชน์ก็ยังไม่น่าชื่นใจอะไรเนี่ยนะเมื่อสัตว์เหล่าอื่นได้รับประโยชน์เต็มที่นั่นแหละจึงจะมีความรู้สึกพอใจดีใจและก็ชื่นใจที่เป็นลักษณะของมุทิตาส่วนความบริบูรณ์ด้วยอุปสมาธิฐานเป็นความเฉียบแหลมของพระหมหาบุรุษผู้เริ่มด้วย อุปสมาธิฐานในการปรินิพานอันเป็นเขตแห่งอุเบกขาโดยพิเศษเนี่ยนะกรรมมามสโกมหิทุกคนไปตามกรรมของตนเนี่ยนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้รับผลตามความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะกิจเหล่าใดที่น้อมนาประโยชน์สุขเข้าไปให้ใหก็ได้น้อมนําประโยชน์สุขเข้าไปให้แล้วเนี่ยนะความน่าสงสารความน่าเห็นใจเหล่าใดที่ไปช่วยปลดเปลื้องกิจเหล่านั้นก็ได้ทําเสร็จแล้ว ผู้ที่ตรัสรูมม้มรรคผลพอที่จะประกาศแต่งตั้งเปิดเผยก็มีอยู่แล้วก็ต้องก็ต้องเรียกว่าปล่อยเนี่ยนะก็ต้องปล่อยก็ไม่ติดไม่อะไรไม่ติดไม่คล่องอ่าเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าเมื่อทํากิจได้เต็มที่ทําพุทธกิจได้อย่างบริบูรณ์ไม่รอเสวยผลเนี่ยนะไม่ไม่เรียกว่าไม่เป็นคนที่ว่าทําสําเร็จแล้วรอรับผลแห่งความสําเร็จไม่มี พอทำเหตุสำเร็จปั๊บทำกิจเสร็จแล้วหมดพุทธกิจปรินิพานเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าเธอทั้งหลายจะบูชาก็บูชาพระาธาตุกันแล้วกันนั่นแหะไปบูชากระดูกเหมือนกันพูดแบบภาษาไทยถ้าเธอจะนั่งคุยกับบรรณคุยกับพระาธาตุเอาก็แล้วกัน น, น, นะเพราะว่าเมื่อทำกิจเสร็จแล้วก็สุขโตเนี่ยนะไปดีแล้วเนี่ยนะสละร่างกายทำกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วโดยไม่มีส่วนเหลือพันจะมาร้องเรียกเอาอะไรจากพระองค์อีก ไม่ได้แล้วกิจเหล่านั้นพระองค์ได้ทําเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วพ้นอธิฐานธรรมทั้ง4ประการนี่แหละทําให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการอุบัติเนี่ยนะในการอุบัติตรัสรู้ประกาศธรรมจักรปรินิพานครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพราะพระองค์เจริญอธิฐานธรรมสี่ประการนั้นอธิฐานธรรม4ี่นี่แหละเป็นเหตุให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันพระโพ ธ, ธิสัตว์ ตอนที่บำเพลนบารมีจึงให้ความสำคัญกับอธิฐานธรรมสี่ประการเพราะอธิฐานธรรมสีประการเป็นรากฐานที่จะดำรงมั่นให้เกิดการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันอธิฐานธรรมเนี่ยนะยังเป็นตัวบ่งบอกถึงฐานะสี่ประการฐานะแห่งศีลฐานะแห่งความสะอาดฐานะแห่งกำลังหรือว่าฐานะแห่งปัญญาอย่างที่กล่าวว่าศีลเนี่ยนะ เศนเนี่ยโดยปกติเนี่ยฐานะที่จะต้องรู้ได้เพราะการอยู่ร่วมกันศีลพึงทราบด้วยการอยู่ร่วมกันของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยสัจจานิทานคนมีศีลคือคนเช่นไรบอกว่าคนมีศีลคือคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะใครว่าไอ้ความที่จะรู้จักเสมอต้นเสมอปลายของใครเนี่ยนะ่ยก็ต้องอยู่ร่วมกันนานๆและจะต้องมีปัญญาจึงจะรู้ได้ ความที่พระองค์เป็นผู้ที่มีสัจจาที่ฐานมีความบริสุทธิ์ตลอดกาลว่าไงเน่เป็นความบริสุทธิ์เสมอเริ่มต้นบริสุทธิ์ชั้นใดตอนปลายก็บริสุทธิ์ชั้นนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าตอนต้นขึ้นดีตอนปลายเนี่ยงอไป็นางหลายวงไม่ใช่เพราะฉนศษเนี่ยรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันานานผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะฉนพระมหาบุรุษเนี่ยท่านมีสัจจาที่ฐานท่านจึงเรียกว่า พิสูจน์ได้ว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แท้จริงเนี่ยนะรู้ได้นะใครที่ไปอยู่ร่วมกันนานขนาดไหนก็จะไม่เห็นความผิดปกติของพระองค์เลยพยามารติดตามอยู่เจปีเนี่ยนะพามารติดตามอยู่เจปีก็ไม่เห็นเอ่อความผิดปกติของของพระโพธิสัตว์ปีก่อนตรัสรู้และเป็นพระพุทธเจ้าอีกตรัสรู้ตามเรียกว่าตามทุกความคิดเลยภาษาไทยเราใช้คาว่าทุกย่างก้า ธรรมะเขาเรียกว่าแทบจะตามทุกความคิดแต่ไม่ใช่ว่าความคิดดีๆไม่ตามนะรอดูช่องจะมีมีตรงไหนพลาดบ้างมีตรงไหนพลาดบ้างเรียกว่าเขาเรียกว่าพยายามที่จะตรวจสอบหาความผิดพลาดแต่ก็หาไม่พบเหมือนกับอีกาตัวหนึ่งบินเข้าไปในภูเขาพวกเขาที่มีสีเหมือนมันข้นโอ้ดูเหมือนมันข้นแหมมันน่าจะจิกจุก๊บเข้าไปเนี่ยมันลึกเลยนะเอามันข้นมันก็แบบนิ่มๆใช ลักษณะมันข้นเนี่ยนะมันเป็นมันข้นเนี่ยมีเป็นเปลเวมันเนี่ยนอีการพวกสัตว์พวกนกเนี่ยเห็นและชอบมากต้องจิกเข้าไปจุ๊บเข้าไปแล้วลึกเลยอะ่ะทีนี้มันเป็นภูเขาหินสีเหมือนมันข้นนี่สิก็แปกว่าจะบินไปทางไหนจะจิกก็จิกไม่เข้าฉันใดพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ดูเหมือนมีจุดอ่อนแต่ว่าไม่มีความไม่มีจุดอ่อนเลยเพราะว่าพิสูจน์ด้วยการอยู่ร่วมกันานานๆแล้วไม่มีข้อ ผิดพลาดเนี่ยนะเพราะอะไรที่ทําได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีสัจจานที่ฐานทําให้รู้ฐานะคือศีลเพราะการอยู่ร่วมกันานานๆนันตรวจสอบได้บางนันความสะอาดเนี่ยนะเป็นฐานะที่จะทราบได้ด้วยกิจด้วยการทํากิจคือคนที่สะอาดแท้จริงเนี่ยนะก็ดูจากความรับผิดชอบดูจากความรับผิดชอบว่า มีความรับผิดชอบเต็มที่สมบูรณ์หรือไม่อ่นนะไม่ใช่ว่าทําอะไรแบบไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าคนสะอาดแท้จริงเนี่ยนะงั้นคนที่มีจาคะจริงๆอ่านะก็คือเริ่มดูจากความสะอาดเนี่ยนะคำว่าความสะอาดในที่นี้ก็คือด้วยกิจการทั้งหลายเนี่ยนะกิจที่เขาทําทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมนโนกรรมของเขาเนี่ยมีความสะอาดโดยที่ไม่มีข้อขุ่นมัว ตำหนิได้ทางกายวาจาและใจเนี่ยนะหมายก็ว่าบัณฑิตทั้งหลายเขาใคร่ครวญดูแลหาช่องทางที่จะติไม่ได้อย่าลืมว่ า, าในทางธรรมะนั้นไม่ถือเอาคำของคนพานเป็นประมาณเพราะคนพานทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่ที่ที่เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเข้าว่าเนี่ยนะชอบก็ชมชังก็แช่งตรงนี้ในธรรมะไม่ถือเอาคนพานเป็นประมาณถือเอ า, เอาผู้ที่มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบ เอาอัดเอาทำทั้งหมดใครครวนโดยรอบคอบแล้วตรวจสอบว่าเออเป็นผู้ที่สะอาดนะดูจากกิทททนะกจกที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะก็ดูจากว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ตนเลยเพราะว่าคนที่สะอาดจริงเนี่ยนะถามว่าเป็นคนที่ไปเที่ยวสะสมไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่สะอาดเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นคนที่ลักษณะสังสมเพราะมีแต่จากคะเนี่ยนะเพราะว่า พระโพธิสัตว์นั้นท่านทํากิจทุกอย่างทําด้วยความเสียสละเนี่ยนะพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้มีการสั่งสมอันใดเลยมีแต่ความเสียสละเท่า น, นั้นก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีแต่ให้เนี่ยนะผู้ที่มีแต่ให้เพราะฉะนั้นคนที่มีแต่ให้จึงเป็นคนที่สะอาดอย่างแท้จริงเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่าอยที่ถ้าให้แล้วก็มีคนที่เขาเรียกว่าเข้าหน่าจะได้และเข า, าไม่ได้พวกนี้แหละที่จะไปสร้าง สร้างปัญหาให้มีอยู่ในชาดกเนี่ยนะค่ายในในเรื่องพระประเจกกันนะมีลูกศิษย์เยอะๆใช่ไหมมีลูกศิษย์เยอะๆเอาต้องให้ตามลําดับคนนี้บวชมานานต้องให้ก่อนให้ให้ตามลําดับพรรษาไอา้คนที่เข้ามาลังหลังมันเดือดร้อนบอกเอ๊ะทำไมนี่ลําเอียงกันชัดๆเนยนะพวกตาถั่วก็จะว่ากัน้นเอาพวกตาถั่วเป็นประมาณไม่ได้นะีนะเอาพวกที่มีตาปัญญาเป็นประมาณ ต่อไปกำลังเนี่ยนะกลังใจเนี่ยเพิ่งทราบได้ในเวลามีอันตรายพระมหาบุรุษนั้นยามที่มีอันตรายก็ดํารงมั่นอยู่ด้วยอุปสมาธิฐานอยู่ด้วยความสงบเนี่ยนะเพราะว่าแต่ละชาติท่านไม่เคยกลัวต่อความตายเลยมันอันตรายที่จะทำให้ทรัพย์เสียหายอันตรายต่อชีวิตอันตรายต่ออย่างอื่นเนี่ยท่านจะกลัวอย่างเดียวคืออันตรายต่อบารมีของท่าน ท่านกลัวมากว่ากลัวจะเป็นอันตรายต่อทานอันตรายต่อศีลอันตรายต่อบุญกุศลของท่านท่านกลัวอยู่เท่านี้แหละส่วนอันตรายต่อลาบต่ออ่าต่อทรัพสมบัติต่ออวัยวะต่อชีวิตท่านไม่เคยสนใจเลยท่านไม่เคยกลัวเลยท่านกลัวอยู่อย่างเดียวคืออันตรายต่อทานต่อศีลของท่านเพราะฉะนั้นอ่ากำลังใจของท่านดีเยี่ยมเวลาที่จะถูกฆ่าอย่างเช่นดูนวิทูนบัณฑิตเนี่ยนะ เขาบอกว่าเขาฆ่าอยู่นะก็ยิ้มอยู่นั่นแหละบอกไม่ยิ้มอยู่นั่นนะไม่กลัวตายด้วยไงไม่รู้จะกลัวไปทําไมก็ไม่ได้ทําบาปเอาไว้บุญไหนไหนที่ควรทําก็ทําไว้เสร็จแล้วอะ่ะตายยังไงก็ไปสวรรค์จะไปกลัวทําไมตายไปกันก็เลยไม่ได้กลัวตายอะไรเพราะนนั้ท่านมีกําลังใจยอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าอันตรายนั้นอะ่ะจะเป็นอันตรายระดับใดขนาดไหนก็ดํำรงอยู่ในความสงบเสมอเนี่ยความที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญขนาดนี้ไม่ได้หนักใจเลยว่า มันจะมีอะไรเป็นอันตรายปัญญาทราบได้ด้วยการสนทนาของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยปัญญาที่ฐานความที่ท่านดำรงมั่นอยู่ด้วยปัญญาการสนทนาของผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อสนทนาไปแล้วมีแต่ความสุขขมลุ่มลึกมีแต่ความลึกซึ้งกว้างขวางอันนะมีแต่ลึกแล้วก็กว้างยิ่งอนมีแต่ลึกแล้วก็กว้างลึกแล้วก็กว้างลักษณะนั้นแนะของผู้ที่ดารงอยู่ด้วย ปัญญาเมื่อสนทนาไปแล้วเนี่ยเขไม่กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็เหมือนกับตอนแรกอชี้ให้ดูทะเลแล้วก็กว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เพราะนั้นพระมหาบุรุษผู้ดํารงด้วยปัญญานั้นเป็นเช่นนั้นอันอธิษฐานธรรมสี่เนี่ยทำให้รู้จักฐานะ4ี่ประการอาศีนรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆดูได้จากสัจจาที่ฐานความสะอาดดูได้จากกิจที่กระทำนี้ก็เป็น จากาทิฐานกําลังใจดูได้ในคราวมีอันตรายอันนี้ก็เป็นอุปสมาธิฐานปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนานีน้ก็เป็นปัญญาที่ฐานหรืออีกในหนึ่งอธิฐานธรรม4ประการเอาวิสุท ธ, ธิสี่เป็นเครื่องวัดก็ได้เนี่ยนะว่าความบริสุทธิ์แห่งสัจจาทิฐานของพระโพุทธศาสนาก็ดูจากสีและวิสุทธิเนี่ยนะวความบริสุทธิ์แห่งศีลจากาธิฐานก็ดูจากว่าอาชีพบริสุทธิ์เนี่ยนะอาชีพบริสุทธิ์ อุปสมาที่ฐานก็มีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะเรียกว่ามีจิตตวิสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ใจแล้วก็ปัญญาที่ฐานมีความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิเนี่ยนะมีทิฏฐิวิสุทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิท่านเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีอาชีพบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์แล้วก็มีความเห็นที่บริสุทธิ์เพรันสัจจาที่ฐานเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์จาคาที่ฐานอาชีว์บริสุทธิ์อุปสมาธิฐาน บริสุทธิ์ใจแล้วก็สุดท้ายปัญญาที่ฐานบริสุทธิ์ทางทิฏฐิเนี่ยนะเพราะเป็นผู้ที่ดํารงมั่นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งไม่ถึงโทสาคติเพราะหลอกลวงโดยเริ่มด้วยสัจจาธิฐานพระโพธิสัตว์คือคนที่ไม่ถึงอัคคติเขาบอกว่าคนที่มีโทสะเนี่ยนะคนที่ลำเอียงโทสะด้วยมีโทสะนำหน้าทําตัวยังไงบอกว่าพวกนี้หลอกลวง คนที่หลอกลวงเนี่ยเพราะถึงโทสาคติเรียกว่าเล่เพศทุบายการมีเล่เพศทุบายโดยประการต่างๆถามว่าเพื่อประโยชน์แก่คนที่คนที่ถูกคนอื่นวางเล่กะเทะให้อะ่ะเรียกว่าคนที่วางเนี่ยมีเมตตามไหมไม่มีพราะการที่คนที่มีโทสาคติเนี่ยนะดูจากว่าวางเล่เพศทุบายเรียกว่ากลนลวงเนี่ยเรียกว่าเล่กลของคนลวงเนี่ยพวกนี้ทําด้วยโทสะเพราะไม่ได้หวังประโยชน์และหวังความสุข แก่แก่ผู้ที่ถูกทำเหมือนอย่างว่าคนที่ดักไสเนี่ยนะคนที่ดักไสไม่ได้ตั้งไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมูปลาคนที่ issez, วางเบ็ดเพื่อเพื่อติดเบ็ดให้แก่ปลาก็ไม่ได้หวังว่าปลาทั้งหลายจะได้รับความสุขคนที่ทําบ่วงเพื่อติดเนื้อเพื่อดักเนื้อก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่เนื้อฉันใดการหลอกลวงโดยประการทั้งปวงก็ไม่ได้หวังเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ท่านไม่ถึงอัคติคือโทสะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีการหลอกลวงแก่คนอื่นเพราะท่านมีสัจจะเนี่ยนะเพราะท่านดํารงมั่นอยู่ในสัจจะจึงไม่ประพฤติกับบุคคลอื่นด้วยอัคติคือโทสาคติมุ่งหลอกลวงผู้อื่นมุ่งสร้างความเสียหายหรือมุ่งทำลายผู้อื่นท่านไม่ถึง โลภาคติหรือฉันทาคติเพราะไม่เกี่ยวข้องเพราะมีจาคาที่ฐานโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจตันหาเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยอำนาจตันหาหรือเกี่ยวข้องด้วยอำนาจบาปอากุโสลธรรมเพราะเมื่อมีการพบปะก็น้อมไปเพื่อประโยชน์คือคาว่าเกี่ยวข้องเนี่ยนะคำว่าเกี่ยวข้องเป็นลักษณะของความผูกพันที่สร้างอะไรนะ การผูกพันเพื่ออะไรก็เพื่อต้องมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ประโยชน์แก่ตัวเองลักษณะนั้นเรียกว่าการเกี่ยวข้องการเกี่ยวข้องก็คือไปเกี่ยวกับบุคคลอื่นและจะดึงเนื้อเข้ามาอย่างเช่นเบ็ดเนี่ยนะเบ็ดที่มันเกี่ยวเกี่ยวเพื่ออะไรก็เกี่ยวเพื่อจะดึงเนื้อดึงเลือดดึงอะไรออกไปแต่พระโพธิสัตว์ไม่ใช่ลักษณะนั้นมีแต่ให้แค่ว่า ง, งั้นก็คือลักษณะของจาคะเข้าไปให้เมื่อเข้าไปให้เนี่ยนะการที่ท่านทํากิจเพื่อการให้จึงไม่เรียกว่าเป็น เรียกว่าเป็นอะไรเป็นโลภะคติโลภะเนี่ยนะเพราะดํารงอยู่ด้วยจาราที่ฐานเพราะว่าเมื่อเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องกันเพื่อที่จะให้เท่านั้นเองไม่ถึงพยาคติเพราะไม่ผิดโดยเริ่มอุปสมาธิฐานเนียนะเคยคนที่ดํารงด้วยความสงบจริงๆเนี่ยไม่กลัวเนี่ยนะเพราะว่าตัวเองดํารงมั่นอยู่ในความสงบอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรจะต้องหวาดกลัวภยัยพยาคติ เรกว่าลำเอียงเพราะความกลัวหรือมีความกลัวนำหน้าเพราะตัวเองมีความสงบพอที่จะไม่กลัวเนี่ยนะเรียว่ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะไม่หวั่นในภัยใดๆด้วยอุปสมาธิฐานไม่ถึงโมหาคติเพราะตรัสรู้ตามเป็นจริงโดยเริ่มด้วยปัญญาธิฐานความที่ไม่ง้อไม่เค่าไม่งมงายเนี่ยนะ ไม่ตะกูลงองูทั้งหลายเนี่ยโง่เงาเงอะงมงายเนี่ยนะไม่เป็นลักษณะโง่งมงายลักษณะนั้นก็รู้อะไรตามที่เป็นจริงนะรู้เหตุรู้ผลรู้ฐานะอฐานะรู้ดีรู้ชื่วรู้บุญรู้บาปรู้เหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นอุปการะคุณอะไรเป็นปฏิปักษ์อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเกื้อกูลอะไรไม่เกื้อกูลเป็นต้นก็รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยอํานาจของปัญญาที่ฐานเพราะท่านไม่มีอคติ เพราะอธิษฐานนธรรมสี่สัจจาทิฐานทําให้ไม่ถึงโทสาคติจาราธิฐานทําให้ไม่ถึงชั้นทาคติหรือโลภาคติอุปสมาธิฐานทําให้ไม่ถึงพยาคติปัญญาทิฏฐานทําให้ไม่ถึงโมหาคติทั้งหลายอันหนึ่งท่านไม่ประทุสร้ายอดกลั้นได้ด้วยสัจจาธิฐานไม่โกรธไม่ประทุสร้ายอดทนได้เสมอเพราะมีสัจจะเนี่ยนะไม่โลภ ไม่โลภเนี่ยนะเพราะว่าเสพอยู่ด้วยจากคะเพราะว่ามีจิตใจเนี่ยนะก็มีจิตใจที่ไม่เอาอะ่ะไอใะใ้ใจที่จะให้ใจที่จะให้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมถึงจะเอาเอาก็เอาไปให้อีกนั่นแหละก็เลยไม่คิดจะเอาอ่ะนะพนไม่โลภด้วยจากขาที่ฐานไม่กลัวเพราะเว้นจากความกลัวด้วยอุปสมาที่ฐานไม่หลงงมงายด้วยเพราะบันเทาความโง่ด้วยปัญญาที่ฐาน ไม่โกรธไม่ประทุสร้ายอดทนอยู่ได้เพราะสัจจาธิฐานไม่โลภเพราะอยู่ด้วยจารคาธิฐานไม่กลัวเพราะเว้นจากความกลัวด้วยอุปสมาธิฐานบรรเทาความโง่อความขา่าวความหลงด้วยปัญญาธิฐานท่านบรรลุถึงเนคขมสุขเพราะสัจจาธิฐานบรรลุปีติสุขปีติสุขเพราะจารคาธิฐาน บรรลุปีติสุขบรรลุสุขที่เกิดจากความสงบด้วยอุปสมาธิฐานบรรลุความสุขที่เกิดจากการตรัสรู้ด้วยปัญญาทิฐานคือสุขที่เกิดจากเนคขมสุขเพราะสัจจาทิฐานวิเวกสุขเพราะจาคาทิฐานอุปสมาสุขเพราะอุปสมาธิฐานแล้วก็สัมโพทิสุขสุขที่เกิดจากการตรัสรู้เพราะปัญญาทิฐาน นะสัจจะที่ฐานเนี่ยคนที่มีสัจจะทําให้มีความสุขในเนคขมมะคนที่มีจ่าคะที่ทําให้เกิดความสงบจากวิเวกนะวิเวกผู้ที่วิเวกได้เพราะมีจ่าคาที่ฐานนะมีความสุขความสุขที่จากวิเวกแล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบก็เพราะอุปสมาธิฐานเพราะมีปัญญาเนี่ยจึงสุขที่เกิดจากการรู้มีความสุขเพราะความรู้ก็ ใครที่มีความสุขที่เกิดจากเนกคคัมมะสุขจากวิเวกสุขจากความสงบสุขจากความตรัสรู้แสดงว่าอธิฐานธรรม4ี่ประการดี น, นะอธิฐานธรรม4ี่ประการบริบูรณ์เพราะฉะนั้นบารมีทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลเป็นต้นเนี่ยรวมลงด้วยอธิฐานธรรมสี่อธิฐานธรรมทั้งสี่เนี่ยเกี่ยวพันด้วยคุณธรรมไม่น้อย ด้วยประการชนี้อันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างให้ฟังเฉยอย่างที่แท้เนี่ยน ะ, ะคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่างที่เราเรียนก็เรียนแต่เพียงหัวข้อเพราะรายละเอียดในชีวิตจริงในการปฏิบัติในชีวิตที่เป็นจริงของท่านตลอด4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะไม่มีผู้ใดจะไปรอบรู้ละเอียดถี่ท้วนได้เหมือนกับพระโพธิสัตว์ด้วยกันผู้ที่ทําในสิ่งนั้นด้วยกันจึงจะรู้กันอย่างละเอียดครบถ้วนกระบวนความ ส่วนอย่างที่เราทั้งหลายมาศึกษาเรียนรู้ก็เพื่อที่สั่งเสริมศรัท ธ, ธาเนี่ยนะจะได้มีศรัท ธ, ธาอันมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธคุณทั้งหลายเราจะได้ทราบเชิงในพระปปัจริยาคุณเข้าใจในพระสรีระคุณเห็นพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้นเมื่อเรามีศรัท ธ, ธามีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจอย่างมั่นคงเราก็ยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม คำสอนของพระองค์เมื่อยินดีเต็มใจปฏิบัติตามประโยชน์และความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายอย่าลืมว่าธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมืนการที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้ทราบเซึองในพระคุณของพระองค์เท่าใดนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายอันหนึ่งอีกในหนึ่งพึงเห็นว่า การประมวลบารมีทั้งหมดเนี่ยนะลงด้วยกรุณาและปัญญาเหมือนอะไรเหมือนการประมวลบารมีทั้งหมดลงด้วยอธิฐานธรรมเพราะปัญญากรุณานี่แหละเป็นเหตุให้ให้ทานเพราะปัญญากรุณาเป็นเหตุให้รักษาศีลเจริญเนกกรรมมะอบรมปัญญาภาคเพียรอยู่ด้วยวิริยะมีความอดทนดารงมั่นอยู่ในสัจจะเนี่ยนะ มีอธิษฐานธรรมแล้วก็มีเมตตามีอุเบกขาบารมีแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอมีปัญญากับกรุณานั่นแหละเป็นเหตุใกล้กระตุ้นเตือนนี่นะเป็นเหมือนกับรากเงา้าแห่งการให้ทานรักษาศีลเจริญเนฆามะเป็นต้นเพราะว่าการุณาและปัญญาเนี่นะเมื่อเต็มเปี่ยมก็ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์เนี่ยมีปัญญาก็คือพระองค์มีวิชามีกรุณาก็เพราะพระองค์มี จารณะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะก็เพราะมีปัญญาและกรุณาที่บริบูรณ์เพราะว่าการสั่งสมบุญบารมีทั้งหมดเรียกว่าโพธิสมภารเนี่ยนะการสั่งสมบุญบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นส่งเครย่นย่อลงมาก็คือกรุณากับปัญญาเท่านั้นเองเนี่ยนะกรุณาที่มุ่งปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่ สัตว์ทั้งหลายปัญญาที่น้อมนําประโยชน์และความสุขเข้าไปไปให้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหลายมีฐานเป็นต้นกําหนดหรือว่ารอบรู้หรือสําเร็จได้ด้วยกรุณาและปัญญาเพราะฉะนั้นกรุณาและปัญญานั่นแหละเป็นมหาโพธิสมภารเป็นการสั่งสมคุณธรรมเพื่อการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่มากการุณาและปัญญานี่แหละมีความสําเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่สุด สุดยอดของการอบรมปัญญาและกรุณาจบลงด้วยการเป็นพระพุทธเจ้ามันอันนี้เป็นบารมีทั้งหมดเนี่ยนะเป็นการสงเคราะห์บารมีทั้งหมดสรุปว่าบารมีทั้งหมดถ้าจะย่อลงมาจริงๆก็เหลือคุณธรรมสองประการคือปัญญากับกรุณาเนี่ยนะพระพอพร ะ, พระมหากรุณาที่คนที่สมัยใหม่นิยมทุกงานจะสวดมหาการุณีโกนาโถหิตายาสัพพานินางเนี่ยนะมหาการุณีโกก็คือพระผู้มี มหากรุณาหรือพระผู้มีมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่นี่นะแต่ว่ายกกรุณาเป็นประธานเพราะว่ากรุณานี่แหละเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องช่วยหมู่สัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เพราะมีปัญญานี่แหละจึงชี้นำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่สูงสุดอย่างแท้จริงส่วนปัญหาสุดท้ายาะว่าเป็นพวงนี้เนี่ยนะสหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้